ไททานยต้นสนในป่าลึกมีต้นสนต้นเล็กอยู่ต้นหนึง่งเขายืนอยู่ตรงที่สวยและอิสระพระอาทิตย์ส่องแสงสวยงามและลมพัดมาเบาๆใบไม้ของเขาสั่นไหวต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเขาสูงและแข็งแรงต้นสนไม่ชอบการดูถูกของพวกเขาซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจริงโอ้ oh! อรุณสวัสดิ์เจ้าตัวเล็กวันนี้เป็นวันที่สวยงามโอ้มันมาแล้วนี่ไงนกฮ่าฉันเห็นด้วยนะบ็อบท้องฟ้าสดใสมากฉันเห็นพวกมนุษย์บนทางนั้นแล้ววันนี้มันคือวันปิกนิกสาหรับพวกเขาโอ้วันนี้เป็นวันที่สวยงามเหรอนกยังไม่บินมารอบฉันเลยฉันตัวเล็กมากฉันมองไม่เห็นว่าใครมาด้วยซ้ำ ฉันอยากจะสูงกว่านี้ฉันจะได้มองเห็นม้าแล้วก็โลกภายนอกเฮ้ hey, นายจะโตขึ้นเราโตขึ้นกันทุกคนเวลาไม่หยุดเราทุกคนหรอกนะมันจะไม่หยุดแม้กระทั่งนายอยากให้มันหยุดดังนั้นสนุกกับสิ่งที่นายมีตอนนี้นายจะไม่ตัวเล็กตลอดไปสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันได้ยินก็คือฉันจะไม่ตัวเล็กตลอดไป คุณไม่รู้หรอกว่ามันรู้สึกยังไงโอ้เพราะนายคิดว่าเราไม่เคยเป็นเด็กอย่างนั้นเหรอตอนที่เรายังเป็นเด็กแสงพระอาทิตย์ไม่ค่อยถึงตัวเราจำได้ไหมบอบป่านั่นหนาแค่ไหนจำได้สิมันยากมากที่จะยืดกิ่งของฉันอ๋อความทรงจำดีดี เป็นวันที่ดีอะไรอย่างนี้ดูต้นไม้ต้นเล็กนั่นสิโอนี่มันสัญลักษณ์อะไรกันนะสงสัยบางคนอยากให้ต้นไม้นี้ถูกจดจำเอ้ฉัไม่แปลกใจหรอกนะมันทั้งเล็กแล้วก็น่ารักด้วยมันเป็นต้นไม้เด็กในป่านี้ <c oughs> เห็นไหมว่าเขาล้อฉันเรียกฉันว่าเด็กพวกเขาไม่ได้ล้อานนะพวกเขารักไนเจ้าระตายโง่เห็นไหมนี่ก็ไม่ได้เป็นอันตรายเหรอเขาไม่ได้สังเกตด้วยซ้าว่าฉันหยุดรงนี้ถ้าเขาไม่เห็นนาย เขาจะกระโดดข้ามนายได้ยังไงล่ะนายกําลังล้อฉันเล่นเพราะฉันตัวเล็กใช่นั่นคือเรื่องตลกแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับที่นายน่ารักนี่นะอ้าฉันเกลียดมันเกลียดเกลียดเกลียดเกลีย ด, ยดโฮู้ฮพูดอีกทีสิฉันไม่ได้ยินสิ่งที่นายพูดเออพอได้แล้วเมเลีหยุดแกล้งเขานะฟังนะ จงภูมิใจในสิ่งที่นายมีการตัดไม้ทําลายป่าได้นําหลายอย่างไปจากเราตัดอะไรเนะตัดอะไรเนะการตัดไม้ทําลายป่าพวกเขาถอนรากถอนโขดพวกเราหมายถึงพวกมนุษย์มาตัดไม้ถอนรากของพวกเราเพื่อทําให้พื้นดินโลดแล้วเปลี่ยนพื้นที่เป็นฟาร์มหรือว่าอย่างอื่นน่ากลัวจังใช่จ้ะงั้นฉันต้องโตก่อนที่พวกเขาจะมาตัดใช่ไหม โอ้นั่นคือสิ่งที่นายเรียนรู้จากเรื่องนี้เหรอหนายต้องเรียนรู้ที่จะมีความสู่กับสิ่งที่นายมีตอนนี้เด็กน้อยแต่ต้นสนเด็กก็อยากจะโตขึ้นเวลาผ่านไปหรือดูใบไม้ผลิหรือดูร้อนและหดูหนาวเป็นปีที่ต้นไม้จะออกกิ่งกิ่งของเขางอกออกมาหนึ่งกิ่งและอีกหนึ่งกิ่งแต่เขาก็ยังเศร้าเขายังไม่เป็นอิสระ เขาอยากจะโตขึ้นให้เร็วกว่านี้ใช่เอาเลยเจ้ากระต่ายเดินเลยเดินไปให้ไกลฉันยังไม่สูงกว่านี้เชื่อฉันเถอะวันหนึ่งนายจะคิดถึงเวลาเหล่านี้ทันใดพวกมันก็มามาทำในสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุดก็คือตัดตัดตัดต้นไม้ได้วยานและต้นไม้ทุกต้นก็ถูกตัดลง ต้นไม้ถูกตัดจนเหลือแค่ตอโอ้พวกเขาจะพาคุณไปไหนโออเวลาของพวกเรามาถึงแล้วจำไว้นะจงภูมิใจในสิ่งที่เรามีแต่แต่พวกเขาจะทำอะไรกับคุณฮัลโหลเขารู้สึกแย่มากตอนนี้ เขาเริ่มที่จะสนใจความเจ็บปวดที่เพื่อนเขาไม่อยู่มันเจ็บปวดเกินกว่าจะทนได้เขาอยู่คนเดียวแล้วตอนนี้ไม่มีใครพูดด้วยพระอาทิตย์ขึ้นมาตามเคยและลมก็พัดมาแต่หน้าเศร้าที่ไม่มีต้นไม้เลยฉันอยากจะไปพบพวกเขาทำไมพวกมนุษย์ไม่พาฉันไปฉันโตแล้ว ฉันทำอะไรในป่านี้คนเดียวหลายเดือนผ่านไปแต่ก็ไม่มีวี่แววของเพื่อนเขาต้นไม้โตขึ้นและไม่มีความสุขในแต่ละวันที่ผ่านไปและก็ไม่มีใครมาจนกระทั่งนกกระสามาพวกนกบอกฉันว่าพวกเขาเห็นเพื่อนของเธอและฉันก็อาจจะเห็นเขาด้วยตอนนี้พวกเขาได้ถูกทำให้เป็นเรือสำราญและล่องไปในทะเลเที่ยวไปรอบโลกว้าว พวกเขาได้ไปเที่ยวเหรอและฉันก็อยู่ที่นี่เป็นห่วงพวกเขาทำไมพวกมนุษย์ไม่พาฉันไปฉันอยากไปเที่ยวรอบโลกพวกเขาบอกว่าพวกเขาคิดถึงบ้านไราสาระทำไมทุกคนถึงคิดถึงที่ที่น่าเบื่อนี่พวกเขาอยู่ในทะเลเอา่าทะเลอะไรนนเะมันเป็นเรื่องเล่าที่ยาวมากฉันรอไม่ได้แล้วไปก่อนนะ ไม่เดี๋ยวก่อนเกิ <S <S ดอะไรขึ้นกับต้นไม้อื่นละ่ะฉันรู้ฉันเห็นพวกเขาในบ้านหลังใหญ่พวกเขาดูใหญ่โตวพวกเขาตกแต่งให้ดูสวยงามลายตาสวยงามลายตาเหรอแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเออจริงๆแล้วพวกเราไม่รู้หรอกเราไม่ได้เห็นเขาหลังจากนั้น <S <S 2> <S 2> <S โอ้ ฉันแน่ใจว่าพวกเขาอยู่ในที่ที่สวยและเขาก็ดูดีทั้งวันด้วยด้วยความไม่ระวังของวันช่งนี้ต้นไม้ได้รอแล้วรอเล่าหนึ่งปีผ่านไปในที่สุดก็มาถึงวันที่ต้นไม้ต้องจากบ้านของตัวเองอมนุษย์ในที่สุดพวกเขาก็มารับฉันอ๋อมันเจ็บกว่าที่คิดนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรทุกอย่างจะดีขึ้นหลังจากนี้ ฉันจะมีอนาคตที่สว่างสดใสต้นไม้ถูกนำไปที่บ้านใหญ่พวกเขาใส่มันในกระถางและใส่สายให้เขาและทันใดนั้นก็เริ่มการตกแต่งให้สวยงามลายตาต้นไม้ส่องแสงสว่างเหมือนอนัญมณีแต่แค่นั้นยังไม่พอพวกเขาใส่ดาวบนสุดของต้นไม้และมันก็สวยงามมากเร็วเขา้าเอาของขวัญมาวางใต้ต้นไม้กันโอ้ว้าว นั่นชัดเหรอฉันสวยมากฉันอยากรู้จังว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่ อ, อว้าวต้นไม้สวยมากไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยชย่พ่อต้องใช้เวลาหามันนานมากเลยได้ยินนั่นไหมพวกเขาตามหาฉันฉันเป็นสิ่งพิเศษเด็กๆได้เต้นรอบเขาพวกเด็กๆกระโดด และพวกเขานั่งใต้ต้นไม้เพื่อฟังนิทานจากพ่อเขาโอเคเมื่อวานฟังเรื่องไอวอรีเอวอรีงั้นวันนี้ฟังเรื่อง h u มตี้ดัมตี้กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีใครหนึ่งใบใหญ่เท่าลูกเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่รู้แค่สองสามคนฮาอรุณสวัสดิ์ฉันอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันนี้ ตกแต่งฉันมากขึ้นมีนิทานและการเต้นแต่ก็ไม่มีใครมาประตูยังปิดอยู่เวลาผ่านไปพระอาทิตย์ขึ้นสองแสงแล้วแต่ก็ไม่มีใครมาไม่นะพวกเขาลืมฉันไม่ได้ฉันเป็นต้นไม้ที่สวยที่สุดฉันพิเศษฮะเขามาแล้วฉันรู้จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะโอ้ เขาจะพาฉันออกไปไหนโอ้โอ้โ อ, โอ้จะพาฉันไปไหนเนี่ยโอ้โ อ, โอ้นั่นอะไรนะฉันไปทำอะไรให้ทำไมถึงพาฉันมาที่นี่ <c oughs> เดี๋ยวเป็นไปไม่ได้หิมะยังตกอยู่นะดินก็แข็งบางทีพวกเขาอาจจะปลูกฉันหลังจากหิมะละลายพวกเขาช่างคิดจัง ฤดูหนาวผ่านไปหิมะละลายต้นไม้ก็ยังคงอยู่ในห้องเพดานบ๊อพูดถูกฉันคิดถึงป่าฉันคิดถึงพระอาทิตย์และลมเพียงแค่พวกเขาเปิดประตูออกให้ฉันได้สูดอากาศสดชื่นอีกครั้งนี่ต้นไม้แกะอะไรที่ทำให้นายคิดว่าฉันแกมีต้นไม่อีกมากมายจากที่ที่ฉันมาจริงเหรอ นายมาจากที่ไหนป่าสวยมากเป็นป่าที่สวยมากเลยป่าเหรอพวกเราไม่เคยเห็นป่าแล้วให้ฟังไหนสิต้นสนมีความสุขมากที่ได้เล่าเรื่องราวของป่าและมีหนูนามาฟังเพิ่มขึ้นมากมายเขาพูดถึงพระอาทิตย์และสายลมเขาพูดถึงบ็อบและเขาคิดถึงเมลเล่และเสียงหัวเราะของเขาเขาพูดถึงสูซานและความฉลาดของเธอและกระต่าย ที่ชอบกระโดดอยู่ตลอดเวลามันแปลกมากฉันไม่รู้สึกรำคาญก็ตายอีกต่อไปฉันอยากให้มันกระโดดกระโดดไปรอบๆอีกโอ้มายคงมีความสุขมากที่นั่นฮะใช่ฉันเคยมีความสุขมากเพียงแต่ฉันไม่เคยคิดถึงมันฉันมัวแต่บ่นถึงสิ่งที่ฉันไม่มีเพื่อนฉันพูดถูกฉันควรภูมิใจในสิ่งที่ฉันมีตอนนี้ นั่นเป็นเรื่องเดียวที่นายมีเหรอเออฉันมีเรื่องฮฮมตี้ดัมตี้ฉันเคยได้ยินเรื่องตอนที่ฉันยังส ง, ง่าแล้วก็เด็กอยู่แล้วเขาก็เล่าว่าเขามาที่นี่ได้อย่างไรและเขาสวยส ง, ง่าแค่ไหนเขาเล่าเรื่องฮฮมตี้ดัมตี้แบบเดียวกับที่เขาเคยได้ยินใครแต่งงานกับเจ้าหญิงเหรอจริงเหรอเนี่ยนายคิดว่าพวกเราจะเชื่อเหรอ นายไม่รู้เรื่องที่เขาเล่าเกี่ยวกับเบคอนและเทียนเรืองไงเ อ, อ่อไม่ฉันไม่เคยได้ยินเอ้ยเอ อ, เ อ, อฉันไปดีกว่าแล้วหนูทุกตัวก็จากไป อ, อก็อยังดีนะที่เราได้เล่าเรื่องโอฉันจะถูถกนำไปปลูอีกเหรอพาฉันไปที่กว้างๆเหมือนที่ป่าของฉันสิ่งที่น่ากลัวกําลังรอต้นไม้อยู่ โอ้โอ้โอ้ไม่นะโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้ทำไมพวกเขาทำไมพวกเขาโอ้โอ้โอ้ากาศสดชื่นพระอาทิตย์ลมอ๋อฉันไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้ฉันไม่เคยมีความสุขขนาดนี้ในชีวิตมาก่อนเลยมันน่าชื่นชมมากกับสิ่งที่เรามีในตอนนี้เอาชิ้นสุดท้ายมาเลยเอามาเผาเร็ว ต้นไม้มีความสุขในช่วงสุดท้ายของชีวิตที่จะโดนเผาแต่ทันใดนั้นเองไม่เดี๋ยวก่อนนั่นต้นไม้ฉันหมายความว่าอย่างไรครับคุณปู่นาเห็นสัญลักษณ์นี้ไหมฉันปลูกต้นไม้นี้เมื่อฉันยังเป็นเด็กเท่าเธอต้นไม้เริ่มหายไปฉันกลัวนายรู้ไหมว่าพวกเราจะไม่มีอากาศสดชื่นแบบนี้ถ้าไม่มีต้นไม้ และถ้าเราทำลายป่าฝนก็จะไม่ตกอีกต่อไปฝนไม่ตกหรอคะแล้วพวกเราจะทำยังไงเราควรทำในสิ่งที่ฉันเคยทำไปในป่ากันไปปลูกต้นไม้กันเราจะชื่นชมและให้เกียรติในสิ่งที่เรามีเด็กๆถ้าไม่งั้นวันที่ไม่มีต้นไม้ไม่มีอากาศบริสุทธิ์และไม่มีฝนจะมาถึงไม่เป็นไรคะ่ะจะให้ฉันทำยังไงกับต้นไม้นี่ อ๋อฉันรู้ว่าต้องทำยังไงและฉันรู้ว่ามันต้องการอะไรและชายแก่ก็รู้จริงๆต้นไม้ถูกเปลี่ยนเป็นประตูที่บ้านของชายแก่เขาชอบที่จะต้อนรับมนุษย์ต้นไม้ทักเขาทุกครั้งที่กลับมาบ้านเขาต้อนรับพระอาทิตย์ทุกเช้าและยิ้มกว้างให้กับสายลมเขาคุยกับพวกนกที่มาเกาะที่เราเบียง ร้องเพลงกับนกนางแอน่นต้นไม้ภูมิใจในสิ่งที่ตนเองมีและเขามีความสุขที่ได้มองวิวสำหรับชายแก่และเด็กๆได้ทำงานที่วิเศษในการปลูกต้นไม้เยอะขึ้นในป่าตอนนี้สีเขียวมากที่สุดเท่าที่เคยมีต้นไม้ได้รับบทเรียนรวมถึงมนุษย์ด้วย